อีกสามสี่วันต่อมาของการพำนักพักผ่อนอยู่ในราชฐานของมรกรนครทั้งสองฝ่ายของอเมริกันผู้ติดตามค้นหาระเบิดนิวเคลียร์และเชษฐาผู้ติดตามมาภายหลังได้พบปะทำความสนิทสนมคุ้นเคยซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นแฟน้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจนเหมือนกับว่าได้คบหารู้จักกันมาก่อนแล้วนานแสนนานและประสานความเข้าใจอันดีต่อกัน เยี่ยงมิตรสนิททั้งสองคณะได้มีการผลัดกันไปเยี่ยมเยียนยังสถานที่พักของกันและกันและใช้เวลาว่างแห่งการพักผ่อนนี้ท่องเที่ยวชมพระนครและสถานที่ต่างๆของอาณาจักรมรกรนครตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมประจำเผ่าพันธุ์ที่ได้รับมรดกตกทอดมาเป็นเวลานานรวมทั้งนําท่องเที่ยวไปตามชนบทนิคมคามต่างๆ อันเป็นแหล่งเกษตรกรรมเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ทำให้อคันตุ ก, กะได้รับความรอบรู้ทางด้านทัศนะศึกษาและสุดทึ่งในความรุ่งเรืองของมหาอาณาจักรที่หลงสำรวจจักรภูมิศาสตร์โลกแห่งนี้เป็นที่ยิ่งไม่ว่าจะเป็นสแตนลีย์คีตหรือเชิดวุตรได้ไปมาหาสู่กับคณะของเชิด่ายังสถานที่พักและใช้เวลาดื่มกินร่วมกัน สนทนาร่วมกันในสัพปัปนหาต่างๆเป็นประจำแทบทุกวันและทั้งหมดจะมาร่วมรับประทานอาหารเย็นกันในมหาปราศาสตร์ของเจ้าผู้ครองนครซึ่งเสด็จออกมาร่วมโต๊ะเสวยด้วยพร้อมพระราชินีในฐานะเป็นองค์ประธานทุกครั้งส่วนเบย น, นั้นแอบย่องมาคุยกระดารินเป็นการส่วนตัวบ่อย หล่อนมีเรื่องสนุกสนานระคนขบขันมาเล่าให้ดารินได้เพลิดเพลินใจอยู่เสมอด้วยความเปิดเผยตรงไปตรงมาและเมื่อคบสนิทแล้วดารินย่อมจตระหนักดีว่าเบลไม่ได้มีพิษมีภัยใดใเลยจึงไม่ถือสาอะไรไม่ว่าแม้ว่าบางขณะแม่ผมแดงจะพูดอะไรให้เป็นที่ขับหูของหล่อนไปบ้างซึ่งหล่อนพิจารณาว่านั่นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเจตนาร้ายใดๆทั้งสิ้น และหล่อนก็ให้ความเอ็นดูรักสนิทถือเสมือนเป็นน้องสาวช่างพูดคนหนึ่งเบนมักจะถือสนิท ต, ตามนิสัยของหล่อนเล่นหัวหยอกล้อกับกระพินและทุกคนอันเป็นฝ่ายผู้ชายเหมือนกันหมดโดยไม่ถือตัวซึ่งแรกๆดารินก็อาจจะรู้สึกขัดหูขัดตาไปบ้างแต่แล้วในที่สุดก็รู้นิสัยแท้จริงแล้วก็เลือกถือสาแม้ว่าแม่ผมแดงจะโดดเข้ากอดกระพิน ต่อหน้าบุคคลทั้งหลายอย่างถึงสนิทตรงข้ามกับคริสตินาซึ่งสงบสงี่ยมระมัดระวังตัวขีดสุดหล่อนวางตัวห่างพรานใหญ่ออกมาในทันทีนับตั้งแต่คืนฉลองสมรสคืนนั้นเป็นต้นมาอาการของหล่อนก็เป็นคนเงียบขรึมอยู่ก่อนแล้วยิ่งขรึมหนักลงไปอีกจะประหยัดถ้อยคําอย่างที่สุดทุกคนรวมทั้งดารินจะเห็นเพียงรอยยิ้มบางๆ ปรากฏบนริมฝีปากของหล่อนบ้างในบางเวลาเท่านั้นและจะไม่พูดอะไรโดยไม่จำเป็นส่วนเชิดวุธนั้นแม้จะหมดสิ้นหวังใดๆโดยสิ้นเชิงแล้วก็ตามเขาก็ยังแสดงความเป็นสุภาพบุรุษคอยให้ความประคับประคองดูแลทุกสุขใกล้ชิดอยู่กับคริสตตลอดเวลาหลอนไม่ปฏิเสธความหวังดีของเขาแต่จะไม่ยอมให้สัมพันธภาพล่วงเลยไป เกินกว่าความเป็นมิตรอันดีงามและไม่ยอมให้เขาเข้าถึงตัวในที่รับตาเลยในทุกๆเวลาบ่ายจัดดารินและทุกคนจะมองเห็นคริสแต่งกายด้วยชุดขาวล้วนเดินตามลำพังคนเดียวด้วยท่าทีอันสงบตรงไปยังมหาปราศาสตร์ของจักรราชเพื่อศึกษาร่ำเรียนทางด้านฌานสมาธิตามข้อตกลงกันไวโดยมิได้ขาด อาการเดินของหล่อนเหมือนพรามณีหรือภิกษุณีเต็มไปด้วยอาการสำรวมอิริยาบถและไม่ยอมให้ผู้ใดเดินทางเพื่อนำหล่อนไปส่งด้วยจนถึงสถานที่นอกจากบางขณะบางวันอาจจะสวนกับระพินและดารินผู้โดยเล่นอยู่ในอุทยานคริสติน่าจะเดินก้มหน้าผ่านไปอย่างสงบหรืออาจจะหยุดเพียงช่วระยะเวลาสั้น เมื่อบุคคลทั้งสองทักทายและสนทนาด้วยเพื่อตอบคาถามจิตใจของฉันปลอดโปร่งและสุขสงบขึ้นมากทีเดียวละ่ะหล่อนมักจะตอบเรียบเรียบพร้อมกับอาการยิ้มน้อยๆสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกฎนครทรงมีพระเมตตาต่อฉันมากและทรงอบรมสั่งสอนชี้ทางอันสงบสุขให้แก่ฉันเชื่อว่าก่อนที่เราจะจากมรกฎนครไป ฉันก็คงจะถ่ายทอดอะไรต่ออะไรจากพระองค์ไปได้มากทีเดียวสาธุขอโมทนาด้วยใจจริงอะ่ะคริสรับพินบอกมาอย่างสุภาพอ่อนโยนคริสติน่าก้มศีรษะลงรับนิดนึงแต่ไม่บอกว่ากระไรอีกดารินซึ่งขณะนั้นยืนเคียงข้างอยู่กับสามีของหลอนก็ถามอย่างเกรงใจว่านี่คริส เริ่มต้นเขานั่งวิปัสสนาแล้วหรือยังและได้ผลยังไงมั่งละ่ะจากกรรมฐานนั่นน้อยฉันเริ่มมาตั้งแต่วันที่สองที่เดียวแล้วเพียงแค่นั่งเข้าสมาธิโดยมีองค์จักราราษฎร์ทับคุมดวงจิตอยู่เพียงวันแรกเท่านั้นฉันก็เริ่มมองเห็นกรรมเก่าของตนเองและสิ่งชั่วร้ายต่างๆในชีวิตที่ฉันได้กระทามาด้วยมือตนเองมันผ่านเข้ามาให้เห็นเป็นฉากๆทีเดียวบางเรื่อง บางพฤติการฉันก็ลืมมันไปลืมมันไปและแต่มันได้ผุดเด่นขึ้นมาเตือนความทรงจำฉันอีกอย่างแจ่มชัดจักรราชทรงมีตบะชานที่สูงมากทีเดียวฉันรู้ว่าในครั้งแรกพระองค์สะกดจิตฉันก่อนแต่แล้วต่อมาเมื่อฉันเพียรพยายามทําใจให้ว่างเปล่าและเพ่งกระสิ่งฉันก็มองเห็นด้วยตนเองถึงพฤติกรรมในอดีตที่ฉันลืมไปแล้ว มองเห็นความจริงสี่ประการที่พระองค์เรียกจตุสัตว์ที่ฉันไม่เคยเข้าใจมาก่อนพระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่ฉันได้พบมาหล่อนเหลือบมองไปทางระพินไัยวันผู้ยืนพินิษดูหล่อนเงียบเงียบแต่ฉันก็ไม่ลืมอาจารย์คนแรกของฉันที่สอนวิชาดํารงชีพให้อยู่รอดได้ท่ามกลางภัยพิบัติทุกชนิดนั่นก็คือครูระพิน คุณเป็นศิษย์มีครูบาอาจารย์่หละคริสขอให้ภาคเพียรต่อไปองค์จั ก, กรราจะทรงสอนในสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตของคุณเพื่อที่จะได้บดความทุกข์ความวุ่นวายทางโลกโล ก, กีให้มันสนิทตอนนี้คงกำลังจะเป็นนักบุญแล้วไม่ว่าจะบวชในาศาสนาใดก็ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานเบื้องต้นย่อมเหมือนกันทั้งสิน้นคือการประพฤติชอบปฏิบัติชอบ และมีเมตตาตามวนมนุษย์และก็สัตว์โลกทั้งหลายคุณหญิงดารินคริสเอ่ยขึ้นกับดารินเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าไงจ๊ะคริสฉันขอฝากคนของฝ่ายฉันทุกคนไว้ในความมีน้ำใจอันกว้างขวางและเมตตาของเธอด้วยนะเดีเฉพจะพออย่างยิ่งอิสเบรผู้ไม่สำรวม จะแหลมล้ำกั้มเกินหนักนิดเบาหน่อยก็ได้โปรดขออภัยให้ด้วยขออย่าได้ถือสาคุณคุณเคืองเลยดารินเข้าไปกอดคริสติน่าเบาๆข้อนั้นอย่าได้กังวลเลยฉันและพวกเราทุกคนไม่ถือสาโกรธเคืองอะไรพวกของเธอหรอกและโดยแท้จริงแล้วคนเหล่านี้ก็ล้วนเป็นมิตรที่ดีต่อเราทั้งสิน้นและเราก็มีความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจใ ห, ให้แก่พวกเขาทุกคน ไม่ได้ถือสาเป็นอื่นเลยแหละนั่นคือน้ำใจอันประเสริฐของคุณหญิงขอขอบคุณกล่าวเพียงแค่นั้นคริสติน่าก็ขอตัวแยกผะเดินจากไปน่าสงสารนะคะระพินความจริงผู้หญิงคนนี้สวยเหลือเกินสวยจนชั้นซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเองก็ยังชอบที่จะรอบมองหล่อนอยู่เสมอ ดารินเอ่ยขึ้นเบาๆกับสามีของหลอนขณะที่เอนศรษะพิงไหลเข้าไว้ทอดสายตามองตามหลังร่างโปร่งในชุดขาวที่เดินห่างออกไปตามลำดับครับคริสตาเป็นผู้หญิงที่สวยมากครับแต่อดีตของหลอนเป็นฆาตกรครับหลอนฆ่าคนมามากเหลือเกินแล้วก็มีคดีติดตัดตวอยู่มากคดีการถูกส่งมาทำงานในครั้งนี้เน่ะ เป็นการมาปฏิบัติงานตามทันบนของหน่วยเหนือที่ให้ไว้ถ้าหล่อนไม่มาหล่อนก็ติดคุกแต่ถ้ามาทางานหน่วยเหนือเขาจะลบล้างนิรโทษกรรมคดีเก่าๆให้ครับมันก็น่าแปลกนะคริสก็มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องฆ่าคนมันเป็นการกระทำด้วยอาการของจิตตาพานะครับคุณหญิงคริสเป็นโรคซาดิซึม หลอนสังหารชายคนรักมาไม่น้อยกว่าสามคนแล้วคนค่ายผ่าตัดของหลอนก็ตายคาเขียงที่หลอนผ่าตัดหลายคนเพราะอารมณ์ที่วิปริตเพียงชั่ววูบจนกระทั่งถูกยึดใบประกอบโรคสินทางแพทย์ดารินลืมตาโตเหลือบมองหน้าเขาทั้งนั้นคุณก็โชคดีมากสิที่หลอนไม่ได้ฆ่าคุณใช่ในระหว่างเดินทางมาด้วยกันคุณหญิงครับ ศีลและสัจจะของผมที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นเครื่องป้องกันตัวผมไม่พ้นจากเงื้อมมือหล่อนครับคนที่รอดพ้นมาได้อย่างบุดวิดอีกคนหนึ่งก็คือคุณเชิดพุตรเพราะผมคอยตักเตือนป้องกันไว้แต่เดี๋ยวนี้หล่อนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วล่ะครับจั ก, กรราชช่วยให้หลุดพ้นจากวง่กรรมได้นี่ระพินพูดตามตรงจากความรู้สึกของฉันนะฉันว่าคริสเขารักคุณมากนะ ยิ่งรักมากเท่าไหร่หล่อนก็จะยิ่งฆ่าผมได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นถ้าผมหลวมตัวไปมีอะไรกับหล่อนเข้าครับดารินจูบที่แก้มเขาเบาๆคุณเป็นคนดีถึงได้รอดพ้นมาได้อาจจะเรียกได้ว่าวุ่นบิด จ, จวนเจียนทีเดียวและนี่คุณทําความเข้าใจกระเชิดบูธแล้วหรือยังเขากําลังอยู่ในภาวะอกหักเพราะเขาหลงรักแม่นี่มากทีเดียวเขาทําใจได้แล้วหรอครับ แล้วเขาก็เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายให้ทราบคริสนะไม่เหมาะกับผู้ชายคนไหนทั้งสิ้นนะครับหล่อนเหมาะที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นก็โชคดีที่หล่อนเข้าใจตัวเองครับหล่อนเป็นคนมีเคราะกรรมที่น่าสงสารจริงๆนะมาเห็นอย่างนี้แล้วก็ได้ความจริงที่ซ่อนเร้นอย่างนี้จึงจะรู้มันก็อย่างที่ผมกล่าวไว้ครู่นี้แหละครับคุณหญิงคริสน่ะโชคดีมาก ที่ได้มาพบกับจักรราอันทำให้ชีวิตผันเปลี่ยนไปได้ในทางบุญกุศลแทนที่จะจมปลักอยู่ในบาปกรรมตลอดไปความจริงหล่อนเป็นคนที่ทั้งสวยทั้งฉลาดแต่มนุษย์เราในโลกนี้มันไม่สมบูรณ์แบบไปได้หมดทุกอย่างแล้วครับก็ต้องมีตัวถวงหรือข้อบอกพร่องจนได้แห ล, ละแลวฉันล่ะมีข้อบอกพร่องอะไรบ้างที่คุณคนพบอ่ะคุณหญิงก็มีครับ ก็โชคดีที่กลับตัวทันเหมือนกันฉันบกพร่องอะไรบ้างระพินยิ้มกระซิบข้างหูก็รักแต่ทำเหมือนไม่รักซ้ำยังทอดทิ้งชายคนรักให้ต้องทุกข์ตรมใจเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่ตลอดเวลายังไงล่ะครับเพิ่งมาแสดงความจริงใจเอาก็ต่อเมื่อเวลาเกือบจะสายใช่แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกระสายใช่ไหม รต่อไปฉันจะไม่ห่างคุณอีกแล้วคุณอย่ารำคาญก็แล้วกันย่างเข้าวันที่เก้าของการเข้ามาพำนักอย่างปลอดโปร่งสุขสบายอยู่ในมรกฎนครทั้งสองฝ่ายเริ่มประชุมหารือกันในกำหนดวันเดินทางกลับเพราะทุกคนก็สดชื่นและมีพละงกำลังกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วรัตรีนั้นจักรราชและเมยานีเสด็จมาเยี่ยมคนทั้งหมดที่ปราศาสตรสวนหน้า ที่ชุมนุมสนทนาหารือกันอยู่เพราะความทราบถึงประโสดขณะที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาถึงอย่างไม่เป็นทางการฝ่ายเมริกันก็กำลังอยู่ในภาวะเตรียมเข้าของความจริงข้าอยากจะให้พวกท่านได้พำนักอยู่ที่นี่เป็นเวลาสักเดือนหรือยาวนานกว่านั้นส่งรับสั่งขึ้นรวมๆไปยังบุคคลทั้งสองคณะที่อยู่กันพร้อมหน้าณที่นั้น แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะจากไปแล้วข้าและพระราชินีก็ไม่ประสงค์จะขัดขวางแล้วนะจะจัดเตรียมสเสบียงไปให้พร้อมสับรวมทั้งจะไปส่งจนถึงสุดปลายแดนของมรกรนครด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์พระเจ้าค่ะทั้งสองฝ่ายกราบทูลขึ้นเป็นเสียงเดียวกันจะกราชทอดพระเนตรไปยังบุคคลทั้งหมด พร้อมด้วยสีพระพักที่ระบายไปด้วยรอยแย้มสวนอย่างพระไทยดีแล้วรับสั่งถามต่อไปว่าสำหรับฝ่ายด็อเตอร์สแตลลีท่านแน่ใจแล้วเหรอว่าจะไม่นำเอาหลักฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านค้นพบในเครื่องบินตกลำนั้นกลับไปเลยจนชิ้นเดียวถ้าท่านเปลี่ยนความตั้งใจก็ไปแสวงห า, าได้ตามความพอใจนะสตลลีสั่นศีสั่ช้ า, ชา พร้อมกับทูลตอบบนหัวเราะเบาๆว่าจะไม่มีหลักฐานจากเครื่องตกแม้แต่ชิ้นเดียวพระเจ้าข้าที่เราจะนำติดตัวไปด้วยเพราะมันไร้ประโยชน์และรังแต่จะเกิดโทษกับพวกเราด้วยเพราะเราไม่ต้องการให้หน่วยเหนือทราบความจริงใดๆทั้งสิ้นตามที่เราค้นพบอ่ะแต่เช่นนั้นก็ตามใจท่านเถอะข้าก็เห็นใจพวกท่านอยู่เหมือนกันเพราะสิ่งที่พูดไม่ได้นะ มันก็ไม่อาจพูดอธิบายแก่ใครได้ทั้งสิน้นสู้เก็บไว้ภายในของเราเองดีกว่าก็แปลว่าในคํารายงานของท่านเมื่อกลับไปถึงถิ่นฐานแล้วก็คือไม่ได้ร่องรอยเขาเงื่อนของเครื่องอันมาตกอยู่ที่นี่เลยเช่นนั้นใช่ไหมเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะคือเราตามเครื่องแล้วไม่พบเขาเงื่อนใดๆเลยพระเจ้าค่ะจากก ร, ราชพยักพระพักช้าๆแล้วหันไปทางระพิน ซึ่งกำลังมุงเหมือนจะปรึกษาหารือกันอยู่ที่วัตถุสิ่งหนึ่งมีลูกหาบสองสามคนเตรียมจะมัดเข้าหีบห่อเอ๊ะสองคนนั่นดูเหมือนกำลังถกปัญหากันไม่ตกมีอะไรยุ่งยากเป็นปัญหาหรือไงคิดเบ้ปากยักไหลในขณะที่รับพินนิ่งส่วนสแตลลีกราบทูลขึ้นแทนว่าเครื่องวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ สำหรับติดต่อกับสถานีอวกาศอันเป็นศูนย์บัญชาการของพวกเราพระเจ้าค่ะมันชำรุดเสียหายใช้ไม่ได้มาเป็นเวลานานแล้วคิดเขามีความเห็นว่าควรจะทิ้งมันไว้ที่นี่ไม่ควรจะแบกกลับไปให้เป็นภาระอีกแต่พรานระพินเขาทักท้วงแล้วก็แนะนำให้เรานำกลับติดตัวไปด้วยพระเจ้ากรุงมรกรนครแย้มสวนกว้างออกไปอีกรับสั่งถามมาว่านี่ ท่านได้วิเคราะห์ทองแท้แล้วเหรอว่าเครื่องมือสื่อสารอันสําคัญยิ่งของท่านเครื่องนั้นน่ะมันชํารุดเสียหายก็มันใช้งานไม่ได้เลยนี่พระเจ้าข่าคิดพล่องมาอย่างห ง, งุดหงิดพร้อมกับเอาเท้าไปเครื่องวิทยุทรงพลังสูงนั้นเบาๆแต่ข้ามีความเห็นตรงกันกับพรานใหญ่ระพินนะนั่นคือขอร้องให้พวกท่านเอามันกลับติดตัวไปด้วยเถอะเมื่อพ้นเขตมรกตนคร หรือพ้นเขตนรกดำา อ, อกไปแล้วมันอาจจะใช้งานขึ้นมาได้อีกก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับฝ่ายท่านเป็นอย่างมากคิดอึ้งไปคลงหัวอย่างไม่ศรัทธาแต่ละพินพยักหน้ากับพวกลูกหาสั่งว่าอ่ะมัดเข้าหีบหอให้ดีที่สุดเราจะเอากลับไปด้วยอุดซาหอพิ้วมาจนถึงที่นี่ได้เที่ยวขากลับก็ต้องเอากลับไปด้วยิจะทิ้งจะได้ไง ไม่ต้องฟังเสียงในห้างคิดหรอกเก็บไปด้วยมันก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายนักหรอกถ้าเราจะทิ้งเราก็ควรจะทิ้งซะตั้งแต่ตอนที่ปีนขึ้นเทือกพระศิวะแล้วแต่นี่ก็ยังหอผิวเอามากันได้พวกท่านเชื่อพรานใหญ่มาแล้วก็จงทดลองเชื่อเข้าไปให้ตลอดสิบุคคลผู้นี้นะ่ะรอบคอบรัดกุมเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างจักรราชรับสั่งมนาะคิดไม่กล่าวอะไรอีก เพียงแต่พยักหน้ากับพวกลูกหาบให้จัดการมัดให้เป็นที่เรียบร้อยตามรับสั่งแนะนำมานั้นอย่างเสียไม่ได้ฝ่ายของเชิดาช่วยกันสนับสนุนให้นำกลับไปด้วยเพราะเห็นว่าไหนไหนก็อุตส่าห์หอบพิวกันมาถึงเพียงนี้แล้วและขนาดนั้นเองเมยา น, นีก็ทรงมีรับสั่งถามทุกคนขึ้นว่ามันดูเหมือนกับว่าท่านกาลังจะเตรียมตัวจากพวกเราไปวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างนั้นแหละ นี่พวกท่านกําหนดวันแน่นอนแล้วหรือไม่ล่ะว่าจะออกเดินทางกันเมื่อไหร่แน่คราวนี้ทุกคนของทั้งสองฝ่ายพากันมองหน้ากันเองอยู่ไปมาแล้วนิ่งอึ้งกันไปนานต่างรู้สึกมีความลําบากใจอย่างยิ่งที่จะกราบทูลให้ทั้งสองพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาทั้งสองฝ่ายจะลาจากแผ่นดินที่ให้การต้อนรับอย่างแสนจะอบอุ่นผืนนี้ไปในที่สุด สแตนลีผู้ซึ่งถูกฝ่ายเชฐาเป็นฝ่ายล่อพยักหน้าให้เป็นคนทูลแทนก็กราบทูลขึ้นด้วยน้ำเสียงเกรงพระไทยแต่ก็มั่นคงเด็ดเดี่ยวว่าข้าพระองค์ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะว่าจะขอพำนักอยู่กระใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทอีกเพียงสองราตรีเท่านั้นในเช้าตรู่ของวันมาเรื่องหรือวันถัดจากพรุ่งนี้ไป เราทั้งหมดก็จะถวายบังคมลาแล้วพระเจ้าค่ะระหว่างที่จักรราจังประทับเงียบเฉย อ, อยู่นั้นราชินีเมยานีก็พยักพระพักเนิบชา้าลกแล้วทอดเนกไปยังเชิดถาเป็นความจริงเช่นนั้นหรอคะพี่ใหญ่อดีต ท, ท่านทูตทหารบกฝืนยิ้มอาการของเขาและทุกฝ่ายของเขารวมทั้งระพินด้วยไม่ร่าเริงเป็นสุนัก พระเจ้าค่ะเราได้ตกลงกันไว้แล้วเช่นนั้นและตั้งใจว่าจะกราบทูลให้ทั้งสองพระองค์ทราบในค่ำนี้บังเอิญเสด็จมาเยี่ยมและทรงเห็นการจัดเตรียมตัวของพวกเราเึกก่อนพระเจ้าค่ะเมยานีทอดเนตรละไปตามใบหน้าของเชษฐาอนุชาชัยยันและดารินตามลำดับสีพระพักตร์สลดลงเล็กน้อยแล้วทรงอึ้งไปชั่วระยะเวลาหนึง่ง ทุกคนสบเนตกับนางเพียงชั่วแวบแล้วก็มินหลบไปเพราะไม่อยากจะเห็นสายพระเนตรอาัยอาวอนตึ่งขอร้องนั้นพี่หญิงดารินนี่พี่จะจากเมยานีไปแล้วจริงๆหรอคะนางระ ง, งับพระสุรเสียงมิให้สั่นเครือขณะที่ทรงถามเบาๆไปทางดารินวราฤทธิราชสกุลสาวถอนใจลึก น้ำตาคลอแต่ยิ้มให้เมยานีใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงทราบดีอยู่แล้วนี่ว่าโดยใจจริงแล้วทางฝ่ายของหม่อมชั้นยังอยากที่จะพำนักอยู่ในมรกรนครใกล้เบื้องพระยุคลบาททั้งสองพระองค์ราบนานเท่านานแต่ติดขัดจำเป็นด้วยฝ่ายของดอเตอร์สแตนลียังมีภารกิจที่จะต้องกลับไปยังบ้านเมืองของเขาซึ่งเราก็ต้องไปพร้อมกันด้วย เราคงไม่อาจปล่อยพวกเขาไปกันตามลำพังในเที่ยวขากลับได้มันจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพคะและเราทั้งหมดก็ได้มาพำนักอยู่ในมรกรนครนานพอสมควรแล้วเป็นเวลาครบส2บสองวันพอดีก็สมควรที่ฝ่ายของดเตอร์สแตนลีย์จะต้องกลับได้แล้วละราชินีแห่งมรกรนครพยักพระพักตร์ลงอีกครั้งฝืนแย้มสวนออกมา เป็นความอาลัยรักอย่างยิ่งจากเราทั้งสองคนแต่เราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะขอร้องหรือขัดขวางอย่างใดได้ทั้งสิ้นนะเรามองเห็นความจำเป็นทางฝ่ายของดอเตอร์สแตนลีย์และความจำเป็นของฝ่ายท่านพี่เชษฐาที่จะต้องร่วมทางกลับพร้อมกันด้วยก็แปลว่าเราคงมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอีกแค่หนึ่งวันเศษๆเท่านั้นเอง รับสั่งประโยคหลังของเมยานีเหมือนจะเป็นการรำพึงแล้วยึดพระวรากายเหยียดขึ้นส ง, งาเหมือนเดิมแม้สีพระพักจะส่งแววตาอาลัยเปี่ยมลน้นสำหรับจักราธิราชนั้นคงมีริมโอดที่ละไมไปด้วยรอยยิ้มเช่นเดิมอย่างยากที่ผู้ใดจะทำนายพระไทยได้ทอดพระเนตรไปทางพรานใหญ่ระพินก็เห็นเขายังง่วนอยู่กับการบงการให้พวกลูกหาบมัด หยิบห่อข้าของในสภาพปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วบุยพระโอษฐ์ให้พวกของเชษฐาดูตามสายพระเนตรไปยังเบื้องหลังของระพินในขณะ น, นี้เหมือนจะทรงฟ้องให้เห็นในอากับกิริยาวางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนใดๆเลยของพรานใหญ่ซึ่งเชษฐาอนุชาและชา ย, ยันก็เข้าใจในความหมายพากันหัวเราะเบ า, บา อนุชาจึงเอ่ยเรียกเบาๆว่าระพินพรานใหญ่หันกลับมาพร้อมกับขานรับว่าครับผมดูคุณจะมีภารกิจยุ่งมากตลอดเวลานะตั้งแต่ทั้งสองพระองค์เสด็จเข้ามาเนี่ยคำพูดประโยคนั้นดูเหมือนจะมีอาการประชดอยู่นิดๆพรานใหญ่ยกหลังมือขยี้ปลายจมูกแล้วหันกลับมายิ้มกับฝ่ายเชิดาทุกคน รวมทั้งดารินผู้จ้องมองอยู่ก่อนแล้วผมต้องช่วยดูแลพวกนี้ทํางานให้เรียบร้อยครับและหน้าที่ของผมอีก 0.01% ที่ยังเหลืออยู่ก็คือการนําพวกเขาไปส่งยังสถานที่ที่พวกเขาปลอดภัยที่สุดซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะหมดภาระการเป็นลูกจ้างและนายจ้างซะทีคงเหลือไว้แต่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นในอนาคตข้างหน้า ถ้าบังเอิญว่าเราจะได้พบกันอีกกล่าวสิ้นประโยคเพียงแค่นั้นจอมพรานก็แลด้วยสายตาตรงไปยังอดีตแงสสยยกมือขึ้นแตะปีกหมวกเหมือนจะทำวันทยาหัดให้แล้วทูลด้วยเสียงเรียบๆปกติของเขาว่าหรือเวลาอีกนานพอสมควรที่ข้าพระองค์จะกราบถวายบังคมลาแต่คงจะไม่ใช่เวลานี้ ถึงยังไงพระองค์และพระราชินีก็คงจะต้องเสด็จไปส่งจนถึงปลายแดนอยู่แล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะได้ยินทรงรับสั่งอยู่เมื่อครู่นี้จักรราชสวนทุมกังวาน <c oughs> แน่นอนท่านพรานข้าและพระราชินีจะต้องไปส่งท่านจนถึงปลายเขตแดนแน่ๆคงไม่บกพร่องหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ดีหรอกแม้ว่าแขกบางคนของเราจะไม่ค่อยจะเอาไหนนัก รับสั่งเช่นนั้นทำให้ทุกคนในสถานที่นั้นพากันหัวเราะขึ้นอย่างขบขันระพินเพียงแต่ยิ้มทำปากหมุบหมิบมุบมิบมาเหมือนจะด่าให้แต่ไม่มีเสียงใดๆผ่านจากริมฝีปากเขาเมยานีเสดดำเนินเข้าไปยังอิสเบลผู้พระจากการจัดของยืนคอยรับเสดดจอยู่เมื่อทั้งสองพระองค์เสดดจเข้ามาในห้องพักนางได้วางหัดลงบนไหลของแม่ผมแดง แล้วรับสั่งอ่อนโยนด้วยว่าอิสเบลเธองคงจะดีใจนะที่อีกไม่นานก็จะได้กลับบ้านแล้วนี่เบลคว้าประหัสข้างนั้นขึ้นมาจุบเบาๆหม่อมฉันยังไม่อยากจะจากใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทและมรกฎนครไปหอกเพคะที่นี่นะ่ะหม่อมฉันมีแต่ความสุขทุกอย่างด้วยพระเมตตาแต่ก็อย่างที่ทรงทราบดีอยู่แล้วภารกิจของพวกเรายังมี ถ้าไม่มีเรื่องการงานเข้ามาผูกพันเสีอย่างเดียวหม่อมฉันก็อยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปซะเลยด้วยซ้ำแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆที่พวกเธอมาอยู่กับเราที่นี่แต่ก็ทำให้เราทั้งสองมีความสุขมากนะเบร์นางพญามรกฎนครรับสั่งและสงหันไปทางคริสติน่าผู้ยืนเงียบสงบอยู่แม้ในขณะที่เตรียมเข้าของเพื่อจะเดินทางกลับ บ่ายวันนี้หล่อนก็ยังอยู่ในชุดขาวแสดงว่ายังเตรียมพร้อมที่จะไปศึกษาธรรมะกับองค์จักรราศเหมือนเช่นทุกวันคริสส่งรับสั่งขึ้นพร้อมทั้งแย้มสวนให้อย่างอ่อนหวานและจับที่ต้นแขนของแม่ผมทองบีบแน่นเธอเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกับข่าคือองค์จักรราศสีดายนะเวลาอันน้อยนิด ที่เธอได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะกับพระองค์ที่นี่และนี่ก็เตรียมจะเดินทางกลับกันอยู่แล้วเธอจะยังไปศึกษาอยู่เหมือนเดิมหรือไม่คริสติน่าย่อกายลงอย่างสุภาพอ่อนน้อมขีดสุดเป็นวาสนาอย่างยิ่งของหม่อมชั้นเพคะที่ได้มีโอกาสมา ศ, ศึกษาธรรมะกับองค์จักรราชแม้จะเพียงเวลาอันน้อยนิดและหม่อมชั้นก็คงขอศึกษาต่อไปในบ่ายวันนี้ และบ่ายพรุ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทูลลาจากไปคะอืมเป็นการดีมากที่เธอเต็มไปได้วยอุตสาหะวิริยะมิได้ว่างเว้นการศึกษาเล่าเรียนเลยแม้แต่สักวันเดียวบ่ายของวันนี้และพรุ่งนี้ก็จงไปศึกษาเหมือนเดิมเถอะนะไปเดีิวเวลาเสด็จกลับมาหาปราศาสตร์เธอจงตามเสด็จพระองค์ไปเถิดและเหลือเวลาอาหารค่ำ ที่เราจะร่วมรับประทานกันอีกเพียงสองครั้งเท่านั้นขออย่าให้ทุกคนขาดหายหน้าไปแม้แต่คนเดียวที่โตเสวยทั้งค่ำนี้และค่ำของพรุ่งนี้ทุกคนรับปากตามรับสั่งขอร้องนั้นจักรราชเสด็จดำเนินไปยังกลุ่มพรานพื้นเมืองรับสั่งทักทายสนทนากับพวกนั้นอยู่อีกครู่ใหญ่แล้วก็ทรงชวนราชนีคู่พระไทยเสด็จกลับก่อนจะพระออกไป ไม่ทรงลืมที่จะกระดิกนิ้วประหั์เรียกคริสติน่าให้ตามเสด็จไปด้วยซึ่งหลอนก็ตามเสด็จทั้งสองพระองค์ไปอย่างเงียบสงบปล่อยหน้าที่การจัดเข้าของให้แก่พักพวกที่เหลืออยู่ทั้งหมดเมื่อองค์จักรราชและเมญา น, นีทรงละจากบริเวณที่พักของสเตนลีไปได้สักครู่เชษฐาก็ชักชวนคณะทั้งหมดของตนกลับที่พักโดยบอกว่า ทางด้านผมก็ขอตัวไปจัดเข้าของบ้างนะนะแต่คงไม่ ก, กินเวลาอะไรมากนักหรอกเพราะสัมภาระทางฝ่ายผมไม่มีอะไรมากแล้วรอยก็อีบพบกันอีกครั้งหนึ่งที่โต้สวยในราชวังหลวงค่านี้ครับเชิญครับขอบคุณมากครับที่มาช่วยดูแลการจัดเข้าของให้พวกเราสเตลีเข้ามาจับมือเขย่าเบาๆแล้วหันไปทางรพินรพินผมคิดว่าทางนี้เรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่นะ ที่เหลือเราจะจัดการแพ็คเก็บกันเองเอาเป็นว่าคุณไปช่วยทางด้านคุณชายเชษฐาเถิดไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรอยู่ที่นี่อีกแล้วล่ะรพินรับคำหันไปสั่งความกระคิดและบุญคำอีกสองสามประโยคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นสั่งให้แพ็คเครื่องรับส่งวิทยุให้ดีที่สุดแล้วก็เดินตรงไปเข้าไปหาทางฝ่ายของเชษฐาที่ออกมาชุมนุมรอคอยกันอยู่ตรงบริเวณที่ผูกมาไวขณะนั้น เบนก็ร้องโวกเวกว่าหลอนจะขออนุญาตตามระพินไปด้วยซึ่งสเตลลีก็ไม่ขัดหลอนจึงวิ่งมาเกาะแขนเขาไว้เดินหัวเราะเข้ามาโดยเอาตัวเขามาส่งให้แก่ดารินอ้าวน้อยฉันเอาตัวมาให้แล้วนะจูไม่ดีล่ะระวังเด็กหายดารินหัวเราะตอบคว้าข้อมือระพินไว้รับรองเลยเบลต่อไปนี้เด็ก จะไม่มีวันพลัดหายไปจากฉันอีกแล้วล่ะขอบใจมากนะที่จูงมาส่งฉันกำลังจะไปลากเขาหมักพอดีทีเดียวคุณหญิงจะไม่มีวันลากผมไหวหรอกครับเวน้นใชแต่ว่าผมจะตามคุณหญิงไปเองระพินตอบเบาๆเอานิ้วเขี้ย ก, ก้มล่อนดารินก็บอกว่าก็แต่ฉันลากด้วยตัวเองไม่ไหวฉันก็ใช้มาช่วยลากให้ลองดูไหมละ่ะ ผู้หญิงคนที่เคยใช้บ่วงบาดคล้องตัวผมไว้แล้วลากด้วยมา้าคือจิตรางคะนางในยุคนั้นนะครับคงไม่ใช่คุณหญิงดารินในยุคนี้หรอกแต่ถึงในยุคนั้นผมก็ยังกระโดดเกาะหลังมาของจิตรางคะนางเอาไว้ได้ก่อนที่จะถูกลากกลิ้งไปกับพื้นเมื่อคราวยุทธกรีทาระหว่างแควนระพินกระซิบข้างหูพัญญายอดรักของเขาดารินย่นจมูกกระซิบตอบว่า กแค่ทดลองดูเท่านั้นแหละว่าอัคนิรุธจะเก่งกาดสักแค่ไหนใจจริงก็ไม่คิดที่จะลากให้เนื้อตัวเละเทะไปหรอกในครั้งนั้นน่ะสัญญากันไว้หลายครั้งแล้วว่าจะไม่พูดถึงความเก่าอีกเลิกเอ่ยถึงยุคนั้นทีเหอะรพินยกมือขึ้นปิดปากตัวเองพูดอู้อีออกมาว่าตกลงไม่พูดอีกแล้กล่าวจบ เขาก็อุ้มดารินส่งขึ้นไปบนหลังมาที่ผูกชุมนุมกันไว้หน้าที่พักของฝ่ายเมริกันเพราะคณะของเชษฐามากันด้วยมาเนื่องจากระยะทางอันห่างไกลพอสมควรต่างครานที่จะเดินกันมาและแทนที่ตัวเองจะโดดตามขึ้นไปบนหลังมาใหญ่ตัวนั้นด้วยก็คว้าเอวของเบลซึ่งยังยืนเก่ๆกังๆอยู่บริเวณนั้นอุ้มส่งให้ขึ้นไปนั่งซ้อนหลังดารินอีกคน ฝากเบนไปด้วยคนครับคุณหญิงเบนจะได้ไปช่วยจับของให้คุณหญิงตกลงแล้วตัวคุณเองล่ะหล่อนร้องถามมาขณะที่กระตุกสายบังเหียนไม่เป็นไรผมเดินจูงม้าไปให้คุณหญิงก็ได้ครับเอ้ก็ดีเหมือนกันนะคุณสุภาพบุรุษรพินจูงไม่ดีๆนะอย่าให้ม้ามันเพ่นตะลดืดเดี๋ยวเบนร่วงมาฉันไม่รู้ด้วยนาะ อิสเบลกอดเอลดารินไว้แน่นหัวรอกี้กี ก, ก, ก, กีกออกมาเอาห้อยเต็มเหยียดเลยน้อยไม่ต้องกลัวฉันไม่ตกหรอกทิ้งสามีของเธอให้เดินอย่างนี้แหละเขาเป็นนักเดินที่ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าแล้วเบลก็ใช้ส้นเท้ากระแทกสีข้างม้าของดารินโดยแรงทำให้มันกระโดดเพนผลไปเบื้องหน้าหลุดจากมือของรพินที่ถือจูงสายตรงบริเวณคอของมันไว ดารินร้องออกมาว่าไม่ได้ปล่อยเขาเดินไปคนเดียวไม่ได้อะเดี๋ยวก็เดินเลี้ยวไปนั่งเรียนทำมันเรียนธรร ม, มะนั่งวิปัสสนากระจักราสิคนหนึ่งเท่านั้นแหละและหล่อนก็เรียกชา ย, ยันผู้กำลังเพิ่งก้าวขึ้นหลังม้าของตนตะโกนสั่งว่าชา ย, ยันรับระพินไปด้วยนะมาฉันเต็มแล้วนั่งกันอยู่สองคนชา ย, ยันหัวเราะแล้วกระตุ้นมา้า ให้เดินเฉียดเข้ามาที่ระพินพร้อมทั้งร้องสั่งให้เขาโดดขึ้นคร่อมหลังตามคําสั่งของดารินแล้วทั้งคณะก็บ่ายหน้ากลับปราศาสตรหลังค่ำคืนนั้นภายหลังร่วมโต๊ะเสวยเสร็จเหมือนเช่นตามปกติทุกเย็นและฝ่ายของเชษฐาได้พากันกลับมายังที่พักของตนแล้วอีกชั่วไม่นาน ทุกคนก็ประหลาดใจและยินดีที่เห็นจักรราด็จมายังปราสาทที่พักของพวกตนในระหว่างที่นั่งสนทนารวมกลุ่มกันอยู่ในห้องโถงกลางเพราะยังเป็นเวลาหัวค่ำอยู่กษัตริย์หนุ่มเสด็จมาตามลำพังอย่างเป็นการส่วนพระองค์เมื่ อ, อย่างพระบาทเขมายังห้องโถงกลางระหว่างที่ทุกคนฝ่ายเชิฐ้ากำลังรวมกลุ่มสนทนากันก็ทรงแย้มสวนโบกพระหัตให ในขณะที่ทุกคนมีอาการตกใจเล็กน้อยเตรียมจะลุกขึ้นยืนทําความเคารพรับสเสด็จตามสบายครับผมมาอย่างเงซายอีกครั้งครับแม้ว่าจะไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องทุเรศของเจ้าเกรเหลียงพเนจรคนนั้นมาด้วยก็ตามและที่มานี่ก็จะมาสนทนาด้วยแล้วก็ให้คําปรึกษาที่ดีแก่พวกเจ้านายของผมสําหรับในเที่ยวขากลับนี้ครับน้ําเสียงทุ้มกังวานปนหัวเราะนั้นดังเข้ามาก่อน อย่างสนิทสนมเป็นกันเองก่อนที่จะก้าวเข้ามาถึงและซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าของทุกคนทีพ่พากันจ้องมาทางเขาเป็นตาเดียวดีใจมากนะแง่ท า, ายที่เห็นเธอมาเยี่ยมเราอีกครั้งที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาที่เราใกล้จะจากเธอไปแล้วอย่างเงี้ยเทสาเอ่ยขึ้นทุกคนระหนักดีในระหว่างที่พำนักอยู่ในมรกรณครว่า เมื่อใดวาระไหนจะใช้คำพูดกับจักรราชในลักษณะอย่างใดนี่แอบหนีเมียมาคุยกับเราบ่อยๆอย่างเงี้ยเมียแกไม่ว่าเอามั่งไงแงไซรายฉันยันถามมาบ้างทำให้แง่ท า, ายยิ่งหัวเราะดังขึ้นไปอีก <c oughs> โอ้ยเมียผมไม่ค่อยจะจุกจิกตอแยนักหรอกครับในเรื่องนี้แล้วเธอก็กลับจะดีใจซะอีกนะ่ะที่ผมเอาใจใส่ดูแลกับคณะเจ้านายเก่าของผมมาตลอด ความจริงเมญานีเขาก็อยากจะตามมาด้วยนะครับแต่ผมเป็นคนขอร้องเองเมื่อผมอยากจะมาพบกับเจ้านายเก่าของผมตามลำพังเพราะการมาของเธอน่ยอาจจะทำให้ฝ่ายเจ้านายผมเกิดความเกรงใจหรืออึดอัดขึ้นและสำหรับเธอนั้นก็ได้ไปมาหาสู่กับนายหญิงและพวกเจ้านายทุกคนเป็นประจำอยู่แล้วเธอน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะจักรราชหรือแ ง, ง่ใจ กําลังคิดถึงอยู่ทีเดียวแต่เป็นการคิดถึงแง่ทรายมากกว่าจักรราชซึ่งพวกเราเพิ่งจะผละจากการร่วมโต๊ะเสวยมาเมื่อยุบยุบนี่เองดารินบอกมายิ้มยิ้มสายตาที่มองไปยังแง่ทรายเต็มไปได้วยความประกายรักอย่างสนิทใจเยี่ยงน้องชายร่วมสายโลหิตครับเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกท่านทุกคนเนี่ยผมก็อยากจะเป็นแง่ทรายมากกว่าจะเป็นจักรราชแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนักเมื่อทุกครั้งที่พวกท่าน ต้องแสดงแล้วก็ปฏิบัติต่อผมและเมยานีไปในอีกรูปแบบหนึ่งไอ้โดยใจจริงของผมน่ะถ้าไม่ติดภารกิจที่จะต้องปกครองเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของผมในแผ่นดินนี้ผมก็ยังอยากที่จะเป็นลูกหากช่วยแบกของไปให้พวกท่านในเที่ยวคากลับนี้ด้วยนี่พูดจักแกนแท้นะครับไม่ใช่เพียงแค่กำนันท่านด้วยปากหรอกทุกคนที่ได้ยินคาพูดเช่นนั้นพากันยิ้มออกมายกเว้นระพินคนเดียว อนุชาบอกว่าเรารู้เราเข้าใจในข้อนั้นน่ะแต่นายเนะอยู่ที่นี่ดีแล้วล่ะแง่ทรายไอ้โลกภายนอกของพวกเราที่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่นั่นมันต่ําซ้ามนะักเออว่าที่นี่เนี่ยคืนนี้จะมาทําเซอร์ไพรส์อะไรพวกเราอีกนเนี่ยแง่ทรายสันน่ะไม่มีครับนายกลางไม่มีเซอร์ไพรส์ใดๆอีกแล้วสําหรับผมเมื่อจัดการแต่งงานให้ผู้กองกับนายหญิงของผมลุล่วงเรียบร้อยไป ก็เปรียบเสมือนภาระอันหนักอกยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมได้ถูกปลดเปลื้งไปแล้วจนหมดสิ้นมันหมายถึงว่าผมได้ทำให้ใบหน้าที่ตายด้านแข็งกระด้างประดุดหินบนหลุมฝังศพของผู้กองรพินซึ่งเป็นเช่นนี้มาตลอดชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นใบหน้าของมนุษย์ปกติธรรมดากับเข้าได้สทัทีจึงไม่มีอะไรที่จะต้องทอาเซอร์ไพรส์อีกแล้วละ่ะเห็นมเห็นมท้ายสุด แกก็ไม่ไว้ที่จะต้องแว่งมันเน็บฉันจนได้นั่ะเลยน ะ, ะระพินบอกมาพร้อมกับยิ้มให้และคําพูดเช่นนั้นของแง่ทรายทําให้ทุกคนแม้แต่ดารินพากันหัวเราะนี่แง่ทรายเราทุกคนขอบอกกับเธออีกครั้งนะว่าไม่อยากจะจากเธอจากเมยานีและก็ชาวมรกรกรนครทุกคนไปเลยดารินพูดออกมาจากแก่นลึกจริงใจของหล่อนแง่ทรายก้มศีรษะลงแช่มช้า ผมจะหนักในความรู้สึกของนายหญิงผู้กองและทุกท่านดีครับในข้อนี้แต่เมื่อถึงคราวจาเป็นที่จะต้องจากเราก็ต้องจากนี่ก็เป็นสัตรธรรมข้อหนึ่งของชีวิตและภายหลังจากกันในครั้งนี้แล้วเราก็คงหมดโอกาสที่จะได้พบกันด้วยตัวจริงของเราอีกแล้วละเว้เวนตวแต่โดยทางจิตวิ ญ, ญญาณของเราแต่เราฝ่ายเท่านั้นพวกท่านคงไม่ลืมผมเท่าเท่ากับที่ผมเมยานี และชาวม ร, รกนครทุกคนก็จะไม่มีวันลืมท่านตลอดไปทุกคนอึ้องงันไปนานเราไม่อยากจะให้วันเวลานั้นมาถึงเลยนะแง่ายแต่ความจำเป็นมันบีบบังคับอยู่เกี่ยวกับทางด้านฝ่ายอเมริกันเขาถ้าไม่มีพวกนั้นเราก็อาจจะอยู่ที่นี่กับนายให้มันนานกว่านี้ก็ได้ที่สุดเชษฐาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่าพร่าของเขา ทุกท่านครับผมมาพบกับพวกท่านในคืนนี้นอกจากจะมาคุยเป็นการส่วนตัวแล้วผมก็มีข้อแนะนําที่ดีเกี่ยวกับเส้นทางกลับเพื่อย่นระยะเวลาของพวกท่านรวมทั้งเพื่อจะไม่ให้เหนื่อยยากฟ้าอันตรายเหมือนเมื่อเที่ยวขามาผู้กองครับขอเชิญผู้กองมานั่งข้างๆผมหน่อยได้ไหมผมไม่อยากให้ผู้กองไปนั่งห่างผมอย่างนั้นเลยประโยคหลังแง่สายเอ่อยยิ้มๆขณะที่แลไปทางระพิน ผู้นั่งเช็ดลูกเลื่อนของไรเฟิลอยู่ห่างจากคณะออกไปเล็กน้อยพรานใหญ่ลุกขึ้นโดยดีละจากไรเฟิลประจํามือชั่วขณะแล้วก็มาซุดตัวนั่งอยู่ข้างๆแง่ทราย ม, มีอะไรที่แกจะให้ประโยชน์กับพวกเราในการเดินทางกลับเหรอเขาถามขึ้นด้วยน้ําเสียงที่จริงจังขึ้นมากทีเดียวล้วครับผู้กองก่อนอื่นผมอยากให้ผู้กองลืม ทิ้งไอ้แผนที่สังกับบุ้ยเก่าของผู้กองที่ทําไว้ในเที่ยวขากลับในครั้งนั้นแล้วเรามาพิจารณาเส้นทางที่ผมจะชี้ให้ใหม่ดีกว่าเอาขอปากกาของผู้กองและกระดาษในผมสักแผนน่นนะเอาจากสมุดบันทึกก็ได้ครับระพินดึงปากกาลูกลื่นจากกระเป๋าเสื้อของเขาส่งให้แง่ใสและทําท่าจะค้นหาสมุดบันทึกเล็กๆประจําตัวขณะนั้นเองดารินก็เอาสมุดบันทึกของหล่อน เล่มขนาดค่อนข้างเขืองยื่นส่งมาให้บอกว่าเอา้าไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนหรอกนี่กระดาษแง่ซายรับสมุดบันทึกมาจากนายหญิงฉีกเอาแผ่นที่ว่างเปล่าออกมาแผ่นหนึง่งแล้ววางลงไปบนแท่นหินตรงหน้าที่ยกสูงขึ้นมาเหมือนโต๊ะทุกคนเข้ามารายล้อมทันทีโดยเฉพาะระพินผู้ประกบอยู่ด้านข้างอ่ะผู้ ก, กอง แล้วก็ทุกท่านโปรดสังเกตให้ดีนะครับนี่คือถนนพระศิวะนะครับแล้วนี่คือปลายถนนที่ผู้กองและฝ่ายอเมริกันไต่ขึ้นมารวมทั้งการมาถึงที่นี่ในครั้งแรกซึ่งมีผมมาในครั้งนั้นด้วยเราก็ไต่ทางอันแสนลำบากยากเย็นขึ้นมาทางด้านนี้พระเจ้ากรุงมรกรนครในวิญญาณเก่าของแง่ทรายรับสั่งขึ้นช้ า, ชา ขณะที่ขีดเส้นลงไปยังแผ่นกระดาษนั้นนี่ถนนสายนี้นำมาสู่มหาอาณาจักรมรกรนครโดยใช้เดินทางด้วยมาประมาณสามวันในเที่ยวขากลับครั้งก่อนผมก็ได้ไปส่งผู้กองและทุกท่านยังตำแหน่งนี้เหมือนกันแต่กึ่งกลางของถนนพระศิวะตรงจุด X ที่ผมกากระบาดลงไปนี่เป็นตำแหน่งที่คณะของนายใหญ่ ไตาทางขึ้นมาโดยการนำของวายาและเมื่อไตขึ้นมาแล้วมันก็มาถึงจุดกึ่งกลางของถนนประสิวะอันยาวเหยียดใกล้ชนบทนิคมคามที่ถูกเรียกนามว่ากัดทลีลคามจุดนี้แหละครับที่คณะของนายหญิงได้เหยียบย่างขึ้นมาถึงและพบเมญานีกระกองทับส่วนตัวดักรับอยู่พอดีมันจะใช้ระยะการเดินทางจากจุดนี้ถึงพระนคร หรือจากพระนครถึงจุดนี้ประมาณวันครึ่งด้วยมาครับระพินและทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นจ้องตาไม่กระพริบเออแล้วยังไงต่อพรานใหญ่ซักโดยเร็วในการไปส่งเที่ยวนี้นะครับผมจะไปส่งทุกคนที่จุดอันเป็นกัดทะีลคามหรือจุดกึ่งกลางของถนนประสิวะนี่แหละครับ เพื่อว่าทุกท่านจะได้ตายทางลงไปทางด้านนี้อันจะทำให้เสี่ยงอันตรายน้อยกว่าแล้วก็จะย่นระยะทางได้มากกว่าครับแต่ฉันยังไม่รู้จักอิดทางที่ ก, กำหนดไว้นี่เลยนะเงาทรา ย, ายระพินทวงออกมาเบาๆแต่พวกเราเคยใช้เส้นทางนี้มาแล้วนะระพินเชิดากล่าวโดยเร็วเราก็คงพอจะจาทางได้เพราะว่ายานาทางเรามา เงยสายยกมือขึ้นเหมือนจะห้ามบุคคลทั้งสองไว้ในความในที่แตกต่างกันออกไปบอกมาว่าอย่างนี้ครับผู้กองไม่เคยรู้จักทางมาก่อนก็ไม่เป็นไรครับส่วนในายใหญ่ที่อ้างว่าพอจะรู้จักเส้นทางที่นัวายานำมาส่งผมก็ขอทวงไว้เพราะขากลับทุกท่านคงไม่ประสงค์จะผ่านนครวานอนที่ภูเขานิลกาอันจะทาให้หนทาง อ้อมไกลไปโดยเสียเวลาเปล่าเอาถ้างั้นนายมีข้อแนะนำยังไงอะแง่ทรายอนุชากัะชายยันร้องถามมาพร้อมกันทุกคนดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดหมดทั้งสิ้นลงชั่วขณะนอกจากเพ่งสายตาลงไปยังแผนที่ซึ่งแง่ทรายกำลังลากเส้นอยู่ในขณะ น, นี้ผมมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่า ทำาไมประสงค์จะอ้อมไปยังนครลิงของวายาอีกให้มันเสียเวลาภายหลังจากไต่ลงจากไหลถนนและข้ามเขาเตี้ยๆลูกนี้ลงไปแล้วขอให้มุ่งตัดป่าไปทางตะวันตกก่อนภูมิประเทศในช่วงฤดูการนี้จะเดินไม่ยากนักเป็นลอนลูกเขาขึ้นขึ้ น, นลงลงสลับซับซ้อนอยู่หลายสิบลูกบ่ายหน้าตะวันตกอย่างเดียวใช้เวลาเดินทางประมาณสักสามสี่วันและจะมองเห็นทิวปีกครุ อยู่ทางด้านใต้จากนั้นก็ให้บายเข็มไปทางด้านใต้ตลอดใช้เวลาอีกประมาณสักเจ็ดแปดวันผู้กองก็จะมองเห็นหนทางโดยสะดวกเองว่าจะตัดป่าดำออกไปสู่ป่าของโลกภายนอกได้ยังไงเพื่อย่นระยะทางแล้วก็ย่นเวลาที่สุดผมเพียงแต่แนะนำแค่นี้ผู้กองคงจะเข้าใจโดยตลอดอสําคัญในช่วงแรกที่จะมุ่งลงตะวันตกนี่ก่อนเท่านั้นถ้าผิดทิศทางหรือเบนออกนอกเส้น จะกินเวลามากแล้วก็จะพบกับอุปสรรคในด้านการเดินทางเพราะหนทางธุรกันดารยิ่งเส้นทางที่ผมแนะนํำนี่หาใช่เส้นทางตายตัวที่จะไปหรือจะมาได้ในทุกครั้งไม่แต่จะเป็นเฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้นและเวลานี้ก็เป็นช่วงของการเวลาที่เหมาะสมพอดีเพราะดวงดาวต่า ง, างๆเข้ามาอยู่ในมุมองศาที่ถูกต้องสมพงกันอย่างสอดคล้องแต่จะพิด ไปจากเวลานี้เส้นทางก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์กันเป็นคราวๆไปครับทุกคนนิ่งตะลึงงนันกระพินเ ม, ม้มริมฝีปากขมวดคิ้วจ้องหน้าแงสายขมิงนี่หมายความว่ามันจะเป็นเส้นทางสะดวกเฉพาะช่วงการเวลาเท่านั้นเองครับเฉพาะช่วงการเวลาเท่านั้นครับ เออฉันแปลดใจนะในข้อที่ว่าในเที่ยวขามาแกไม่รู้อะไรเลยสักอย่างอาศัยติดตามมากับฉันแทๆ้ๆแต่เดี๋ยวนี้แกกลับรู้เส้นทางได้ปรูปโปรองหมดสิ้นเลยนะเนีย่าายใสหัวเราะเบาๆผู้กองนะเป็นคนฉลาดแต่กลับถามอย่างโ ง, ง่ๆอ่ก็คนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อริ่มเรียนศึกษาก็ย่อมจะรู้ขึ้นมาได้แล้วก็รู้ดีซ ก, กว่าคนที่เคยรู้ แต่ไม่เคยคิดจะศึกษาเพิ่มเติมเลยอย่าแปลกใจเลยครับเมื่อผมได้กลับมายังแผ่นดินนี้แล้วมีตำรับตำราอยู่มากมายก่กองเหลือเกินที่จะให้ผมได้ร่ำเรียนศึกษาถึงวิธีจะหวนกลับออกไปสู่โลกภูมิศาสตร์ภายนอกมันเกี่ยวพันกระดาราศาสตร์และการซ้อนเหลื่อมของการเวลาที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยครับสมัยก่อน ผมต้องอาศัยผู้กองในการกลับคืนมายังบ้านเก่าของผมแต่มาในยุคนี้ผู้กองจะต้องพึ่งผมใช่แล้วละ่ะถ้าอยากกลับบ้านไปให้ถึงบ้าน เ, เร็วที่สุดแต่ถ้าไม่เชื่อผมอยากจะอ้อมทางเดินกันให้ลำบากเหมือนสมัยก่อนก็สุดแล้วแต่ผู้กองครับผมก็เพียงแต่ชี้ทางที่สะดวกกว่าให้เท่านั้นแหละแผนใหญ่อึ้งอยู่นานในที่สุดก็ตบไหลแง่ทรายเบา เป็นความจริงในข้อที่ว่ายุคนี้ฉันโง่กว่าแกมากในเรื่องของเส้นทางแล้วมันก็มีเหตุผลที่ฉันจะต้องเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามแกด้วยงั้นเป็นนั้นว่าเราจะต้องตัดทางลงตรงตำแหน่งเดียวกับที่นายใหญ่ขึ้นมากลางถนนพระศิวะนี่เหรอครับผู้กองถ้าต้องการเส้นทางที่สะดวกกว่าและรวดเร็วกว่าก็ควรจะเป็นอย่งังไงแหละแล้วแกก็จะไปส่งพวกเราตรงจุดนี้ใช่ไหม ตรงจุดนี้ที่เราจะร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเส้นทางเราจะค้างแรมบนถนนพระศิวะร่วมกันอีกหนึ่งคืนถ้าออกในตอนเช้าตรู่ก็แปลว่าคืนหนึ่งเราจะต้องพักอยู่บนถนนสายนี้และพอตกเที่ยงหรือบ่ายเล็กน้อยของวันถัดไปก็จะถึงตำแหน่งกึ่งกลางถนนแม้จะออกจากมรกกนครแล้วก็ตามฝ่ายพวกท่านทั้งหมดจะได้มีโอกาสพักแรมกับผมและเมญาณี ผู้จะไปส่งอีกหนึ่งคืนในระหว่างทางโอ้วิเศษสุดแล้วก็เป็นการดีมากที่ช่วยที่นำแนะแนวทางแก่เราเชษฐาเอ่อยออกมาด้วยเสียงห้าวต่ำของเขาในขณะที่คนอื่นๆพากันพึมพำแซดด้วยความพอใจระคนประหลาดใจยิ่งรพินส่งมือมาให้แง่าสายจับและบีบเขย่าโดยแรงฉันไม่มีทางขัดแย้งแกได้เลยแง่าสาย แล้วก็จะทำตามข้อแนะนำของแกทุกอย่างผู้ ก, กองครับผมเขียนไว้ละเอียดพอสมควรแล้วนะครับในกระดาษแผ่นเนี้ผู้ ก, กองก็เก็บรักษาไว้ดีแล้วกันสงสัยเมื่อไหร่ก็เอาออกมาดูผมคิดว่าคณะทั้งหมดภายใต้การนำของผู้กองจะเดินทางในเที่ยวขากลับนี้ได้อย่างสะดวกสบายที่สุดแต่ก็อย่าถือเป็นหลักตายตัวที่จะย้อนกลับมาหาผมอีกเพราะัการเวลาเปลี่ยน ภูมิประเทศมันก็จะพลอยเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็จะหลงผิดทางไปได้อิทธิพลของดวงดาวนะ่ะเป็นสิ่งลี้ลับครับสําหรับมนุษย์ที่ยังศึกษาไม่ถึงแงทรายพวกเราไม่มีคําใดที่จะกล่าวกับเธอได้มากไปกว่าคําพูดที่ว่าขอบใจมากขอบใจมากจริงๆไงสายได้เอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือไปด้วยความปีติปรามโมทย์และสํานึกในบุญคุณ แงทสายเพียงแต่ยิ้มไม่กล่าวตอบอะไรแต่ส่งกระดาษที่ตนเขียนเป็นแผนที่คร่าวๆนั้นให้รบผินซึ่งพรานใหญ่รับมาพิจารณาแล้วบรรจงพับใส่กระเป๋าเสื้อไว้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่เราจะได้กินอาหารร่วมกันและมารืนที่เราเดินทางร่วมกันได้พักแรมกันอีกคืนนึงกับอีกครึ่งวันหลังจากนั้นก็เห็นจะลากันแบบเฟลเวล ชัยยันเพิ่มพังผมอะไรครับแต่จะไม่รู้สึกโศกเศร้าเสียใจนักในการจากไปของพวกท่านเลยประสาบดีว่าท่านกลับไปมีความสุขในบ้านเมืองถิ่นฐานของท่านตามฐ า, านานุรูปของแต่ละบุคคลแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ก, กองระพินและนายหญิงของผมแต่ก็อยากจะขอถามอีกสักนิดนึงว่าถ้ากลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนแล้ว จะจัดให้มีพิธีวิวาขึ้นอีกไหมครับดารินกรพินมองหน้ากันแล้วช้ำเลืองไปทางพี่ๆอันเป็นผู้ใหญ่ยังไม่อาจจะตอบคําของแง่ายได้เมื่อ น, นั้นเองเชษฐาจึงเป็นฝ่ายกล่าวขึ้นว่าดารินกรพินนะไม่จําเป็นอะไรที่จะต้องไปจัดพิธีแต่งงานที่ไหนอีกทั้งสิ้นนะนะเพราะการแต่งงานของเขาทั้งคู่ที่นี่สมบูรณ์แบบ เรียบร้อยครบสิ้นหมดทุกประการแล้วโดยกษัตริย์จั ก, กราธิราชเจ้าเป็นผู้ทรงพระราชทานพิธีสมรสให้อย่างสมพระเกียรติที่สุดเมื่อได้ยินพี่ชายใหญ่กล่าวดังนั้นดารินก็บอกมาเสียงหนักแน่นว่าใช่เราไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องจัดพิธีสมรสซ้ำขึ้นมาอีกแล้และเพราะเราทั้งคู่ได้เข้าพิธีที่นี่อย่างถูกต้องเพียบพร้อมหมดทุกอย่างแล้วอย่างมากที่สุด ที่เราจะต้องทำอีกสักอย่างหนึ่งก็คือแค่ไปจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอดีตคนใช้ชาวดงยิ้มพพรยก้มศรีรษะให้แกสองสามีพัญญาและผู้ใหญ่ทั้งหมดในนามของจักราธิราชเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติผม และไม่เห็นว่าพิธีการต่างๆที่ผมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นเป็นสิ่งเลีวไหลครั้งแรกเมื่อจากกันคราวนั้นผมได้มั่นนายหญิงไว้ให้กับผู้กองแล้วและเมื่อวกกลับมาในคราวนี้ผมก็จัดการแต่งให้ซะเลยผมภูมิใจอย่างที่สุดครับใต้ฝาละอองธุลีพระบาทเพคะดารินเอ่ยขึ้นแผ่วเบา นายหญิงครับณนะที่นี่เวลานี้โปรเดเรียกผมว่าแง่ทรายเถอะครับแง่ทรายครับผมฉันอยากจะทราบว่าคริสติน่าได้ศึกษาเล่าเรียนในทางธรรมกับเธอไปถึงไหนแล้วละ่ะนายหญิงครับแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นก็เป็นที่น่าพอใจมากครับเพราะเกณฑ์ชะตาของหลอนให้อยู่แล้วเนื่องจาก ถึงคราวที่จะหมดเคราะหมดกรรมชาตินี้เป็นชาติที่หล่อนจะบรรลุถึงแล้วซึ่งธรรมะแม้ว่าชีวิตเบื้องแรกจะแปดเปื้อนไปด้วยบาปมนทินก็ตามขณะ น, นี้คริสติน่าพร้อมแล้วที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าแม้จะภายใต้กฎเกณฑ์ศาสนาเดิมของหล่อนก็ตามก็ต้องถือว่าได้หลุดพ้นและเข้าถึงสัทธธรรมแล้วหล่อนเป็นผู้ที่มีอํานาจจิตที่กล้าแข็งมากครับ จนสามารถที่จะชนะกิเลส ท, ทั้งปวงได้อย่างสะอาดหมดจดหล่อนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วในบาปบุญคุณโทษรู้แล้วในความจริงสี่ประการเกิดแก่เจ็บตายรู้แล้วในทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรตต่อไปหล่อนจะเป็นผู้สอนให้มนุษย์ดำรงตนอยู่ในศีลและสัตว์จักรวมทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว ผู้ร่วมโลกอย่างอนเนกอ น, นันต์ประการทั้งหลายนี่หาได้เกิดจากผมไหมครับแต่เป็นบัญชาจากสวรรค์เบื้องบนผมเพียงแต่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้เท่านั้นครับดารินพนมมือขึ้นเหนือสวงอกในขณะที่ทุกคนเงียบงันกันไปหมดริมฝีปากของหลอนมุบมิบมุบมิบคำว่าสา ทุกออกมาแผ่วเบาที่สุดทุกท่านครับผมอยากจะขอฝากพ่อลุงนานอินไว้ในความดูแลของนายหญิงและทุกท่านด้วยนะครับพ่อลุงเป็นผู้มีบุญคุณกับผมมากแต่ตอนนี้ก็แก่ชรามากแล้วขออย่าให้แกต้องเร่ร่อ น, นเจอนจรไปในป่าอีกเลยครับเพราะผมจะขอให้แกอยู่ที่นี่แต่แกก็ไม่ยอม จะขอติดตามพวกเจ้านายกลับไปด้วยเงาสายกล่าวต่อมาด้วยน้ำเสียงที่เศร้าซึมลงเราขอให้คำรับรองเงาสายเชษฐาอนุชาชัยยันและระพินกล่าวออกมาเป็นเสียงเดียวกันหมดราวกันนัดกันไว้และดารินได้ย้ำอย่างหนักแน่นต่อไปอีกว่าเราจะเลี้ยงดูหนานอินอย่างดีที่สุด จะไม่ให้แกต้องเร่ร่อนไปในป่าอีกแล้วล่ะแล้วพวกเราก็รักแกมากแง่สรายอย่าได้เป็นกังวลใจเลยในข้อนี้ครับเป็นพระคุณต่อผมอย่างยิ่งครับที่ได้รับทราบอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับ